สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน20กฎทองคํากฎที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งเดียวกันครับในเช้าวันนี้จะขอบรรยายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์กับมนุษย์และความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับพระวาจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห ข้อยีถึง24่พระธรรมมัทธิวบทที่หข้อ23ถึง24โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเครื่องข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่นาแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน โปรดฟังอีกครั้งครับมัทธิวบทที่ 5: ้าข้อยีเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์กับมนุษย์และความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นสําคัญครับการที่จะมาถวายบูชาถวายบูชาคือการคืนดีการสร้างความสัมพันธ์การบูรณะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถ้ า, ากว่ามีเหตุขัดเคืองข้อใดข้อหนึ่งกับพี่น้องของตัวเองเราจะต้องกลับไปคืนดีก่อนครับนั่นคือจะต้องให้สอดคล้องกัน ลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกคําสอนเทียมเท็จศสาสนาจอมปลอมกล่าวแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระที่เขานับถือแต่าศาสนาจริงาศาสนาแท้ความเชื่อแท้ก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์2ระดับครับคือความสัมพันธ์ระดับของมนุษย์ กับพระเจ้าถูกต้องและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันมันถึงจะสอดคล้องกันมันถึงจะกลมเกลียวกันมันถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญทุกคนทราบแต่ไม่ค่อยทำครับหรือมักจะทำยากด้วยเหตุนี้เองทาให้การนะมัสการของเราก็ไร้ประโยชน์ การที่เราไปถวายเครื่องบูชาก็ไร้ประโยชน์นั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับเมื่อเราเทียบถึงการสูญเสียขนาดนี้นะครับก็คือเราไปบทชทุกอาทิตย์เราถวายน้ำม ก, การทุกอาทิตย์แต่มันสูญเสียเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปคืนดีกับพี่น้องของเรานั่นแหละครับคือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากบางท่านนะครับ นมัส ก, การพระเจ้ามาเป็นเวลาหลาย10ปีบางท่านเกือบตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งอาวุโสเท่าช แ, ลแะชะลเเกชราก็เสียของไปหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้คืนดีไม่ได้คืนดีกับพี่น้องของตนพี่น้องครับเราจะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่ทําได้ทุกคนทุกท่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ เกิดการฟื้นฟูแล้วครับในกิจจักรของเราบันเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งพระเจ้าจะบัญคับบัญชาพระพรที่นั่นดูเถิดพี่น้องที่รักกันพระพรเกิดครับการบัญคับบัญชาพระพรจะเกิดขึ้นจากพระเจ้าของเราอีกประเด็นหนึ่งครับในเช้าวันนี้ก็คือความกลมเกลียวความเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างสัจธรรมหลักธรรมของพระเจ้าในหลักธรรมของมนุษย์พี่น้องครับเพระโจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่หข้อที่48ครับเราเห็นขึงความสอดคล้องกลมเกลียวความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างหลักธรรมของพระเจ้าและหลักธรรมของมนุษย์พรโจนะพระเจ้านะครับได้กล่าวอย่างนี้โปรดฟังโจนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบครอบโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบครอบพี่น้องครับเราจะเห็นว่าหลักหลักการศัจธรรมของพระเจ้าเป็นรากฐาน หลักการสัจธรรมของมนุษย์บางคนสอนแต่หลักธรรมของมนุษย์ในที่สุดก็เหมือนกับทำสงคราม บ, บนแผ่นกระดาษครับเหมือนกับเล่นหมากลุกมันไม่เกิดขึ้นจริงมันไม่สามารถเป็นจริงได้แต่ให้เรามาดูพระดำรัสสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบนภูเขาหรือ Sermon ม n the Mount มี17ครั้งด้วยกันครับที่พระเยซูทรงกล่าวถึงพระบิดา และปียชูทรงเน้นว่าเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาแล้วเราทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระองค์บุตรของพระองค์ก็จะมีชีวิตของพระบิดาดังนั้นชีวิตของเขานั้นจึงเหมือนพระบิดาพระคัมภีร์บอกเราว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าหรือถ้าเราเรียกให้เต็มนะครับมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายารัก ของพระองค์ก่าอีกในหนึ่งก็คือว่าในบุคลิกของมนุษย์นั้นก็มีบุคลิกของพระเจ้าอยู่ในตัวเขานั่นเองในบุคลิกของมนุษย์นั้นก็มีบุคลิกของพระเจ้าในตัวของเขาและเมื่อมนุษย์ล้มเหลวทําลายพระฉายารักของพระเจ้าพลักษณะหรือบุคลิกของพระเจ้าก็หายไปมนุษย์ก็จึงตกต่ําและตกต่ํา เหมือนกับเป็นสัตว์ครับเพราะว่าสัตว์นั้นไม่มีบุคลิกของพระเจ้าไม่มีพระฉายาลักของพระองค์บุคลิกนิสัยของมนุษย์เมื่อตกต่าลงสู่ความบาปแล้วก็คล้ายกับสัตว์ดังนั้นเองถ้ากล่าวแต่หลักธรรมของมนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงหลักธรรมของพระเจ้าก็จะตื้นเขินผิวเผินตื้นเขินเกินไปครับและยากที่จะสำเร็จเป็นจริงได้พี่นครับ พระเยซูคริสต์พระองค์กล่าวถึงหลักธรรมของพระเจ้าและหลักธรรมของมนุษย์แล้วเอาหลักธรรมของมนุษย์มาสร้างไว้ในหลักธรรมของพระเจ้านี่จึงเป็นหลักธรรมที่แท้จริงและถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องเรียนแบบบุคลิกภาพของพระเจ้านั่นคือการเป็นผู้ที่ดีรอบคอบเหมือนดังพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ที่ดีรอบคอบพีน่น้องครับความดีรอบคอบนั้นก็คือ คำว่า perfect ครับหลายๆท่านนั้นเข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้แต่นำไปใช้ผิดเพราะเขาตีความว่าไม่มีมนุษย์คนไหน perfect นั่นจริงครับแต่ครึ่งหนึ่งก็ทำให้มนุษย์ก็ไม่ยอมที่จะแสวงหาความ perfect ครับไม่ยอมที่จะแสวงหาความดีรอบครอบจึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการท้อแท้ใจเมื่อต้องการีจะเป็นคนดีแต่ก็ยังทำบาปอยู่ ก็จะบอกกับตัวเองว่ามนุษย์หรือฉันเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเพอร์เฟกการแสวงหาความดีรอบครอบความบริสุทธิ์ในชีวิตก็จะค่อยๆสูญหายไปจืดจางไปนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายครับคำสอนแบบนี้ด้วยเห็นนี้เองแทนที่คำสอนนี้จะเป็นคำสอนที่ให้กำลังใจสร้างเป้าหมายให้เราไล่ล่าหาความบริสุทธิ์ของชีวิต การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณการเติบโตทางด้านศิลธรรมจริยธรรมของเราจึงหยุดไปครับมนุษย์ก็เข้าสู่การปณีปัติธมในที่สุดจริยธรรมมาตรฐานหลักธรรมของพระเจ้าและฉายารักของพระองค์นั้นก็เสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดก็ไม่เกิดผลไม่เป็นที่เทวายเกียรติแต่พระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เราพึงระวังเป็นอย่างสูง ขอพระเจ้าจช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้าและมีเป้าหมายในการที่เราจะมีความสอดคล้องกลมเกลียวกันระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความสัมพันธ์ของพระเจ้าการเป็นคนที่ดีรอบครอบและให้ความดีรอบครอบของพระเจ้านั้นให้กลับกลามาเป็นความดีรอบครอบของพวกเราอามน